บทภาชนีติการนิสักียปาจิตตีเจ็ร้อยหของอย่างอื่นภิกษุณีสําคัญว่าเป็นของอย่างอื่นออกปากขอของอย่างอื่นต้องอวบินิสักียปาจิตตีของอย่างอื่นภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอของอย่างอื่นต้องอวบานิสักียปาจิตตีของอย่างอื่นภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของอย่างอื่นออกปากขอของอย่างอื่นต้องอวบินิสักียปาจิตตีทุกๆุกกฏ ไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกษูนีสําคัญว่าเป็นของอย่างอื่นออกปากขอของที่ไม่ใช่ของอย่างอื่นนั้นต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกษูนีไม่แน่ใจออกปากขอของที่ไม่ใช่ของอย่างอื่นนั้นต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ของอย่างอื่นพิกษูนีสําคัญว่าไม่ใช่ของอย่างอื่นไม่ต้องอบัติ